วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจเลยทำให้ไม่สามารถนั่งฟังเทศฟังธรรมกันได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีนั่งสมาธิกันไปแทนตอนนี้ฝนฟ้าก็เริ่มหยุดแล้ว ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาสำหรับการนั่งสมาธิสำหรับวันนี้เพื่อที่จะได้เอาเวลาให้ศรัทธาญาติโยมที่ต้องการจะทำบุญถวายทานได้เข้ามาถวายของตามศรัทธาตามลำดับต่อไปเวลาที่ถวายของเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกราบไหว้ก็พอ ก่อนที่จะให้ถวายของนี้จะขออนุโมทนาให้พรก่อนเยทาวะเรวาหาปุราปริปเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปิอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสั พ, พเพเปรนตุสังคปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตุอันตรายุสุขิทีขายุโกภว อภิวาทนาสีิตสะนิจจงุทธาปจายโนยัตารธรรมาวัทถันตอายุวันโอสุขังภาลางช่วงช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถาม ใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คงยังไม่มากเพราะไม่ได้เทศวันนี้มีผู้รับฟังทาง f a เ o ซบอ่ก203ท่าน y o u t u b บ193ท่าน y o u t u ด e อรวีท่านวิทยุออนไลน์8ท่านคลับเฮาส์สท่านนาคุติ160ท่านรวมทั้งหมด586ท่านครับอาจารย์ก็ถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยมีคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะถามว่าพระอาจารย์คะผู้ที่เจริญธรรมถึงฌาน16แล้วยังมีกิเลสอยู่ไหมคะรัก โลภโกรดหลงค่ะมีอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เจริญปัญญากิเลสไม่ได้ตายด้วยกำลังของฌานกิเลสจะสงบระงรับชั่วคราวในขณะที่อยู่ในฌานแต่พอออกจากสมาธิออกจากฌานมากิเลสก็จะออกมาทำงานต่อได้ถ้าอยากจะให้เส้นกิเลสต้องใช้ปัญญาคอยตัดกิเลสเวลาที่กิเลสออกมาก็พิจารณาให้เห็นว่ากิเลสเป็นทุกข์เป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ นำไปสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าทาตามกิเลสถ้าหยุดกิเลสแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดสิ้นไปคำถามจากคุณพิมพ์มายาค่ะ<ม>กลับนรมส ก, การหลวงพ่อค่ะขอเรียนถามค่ะ มีเหตุการณ์หนึ่งที่มีผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงผู้ชายเกิดเสียชีวิตและผู้หญิงมีชีวิตรอดในขณะที่รถบรรทุกเข้ามาชนผู้หญิงหลับตาพร้อมด้วยท้องพุทโธพยายามพูดออกมาให้ดังๆแต่พุทโธกับเสียงดัง พุโทโธกับเสียงดังมากภายในทําให้คิดเสมอว่ารอดชีวิตด้วยพุโทโธหรือการที่ผู้หญิงรอดชีวิตมานั้นเนื่องด้วยการที่เขาใช้บุญที่เขามีทั้งหมดของชีวิตเขาหรือไม่คะแล้วบุญยังมีเหลืออยู่ไหมคะส่วนผู้ชายเขาตายไปแล้วคือหมดบุญหรือสองคนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะขอความเมตตาค่ะก็คนยึงถึงข่าวตายคนยังไม่ถึงข่าวตายก็ยังไม่ตายเท่นั้นเอง เรื่องสาเหตุที่จะทําให้ตายหรือไม่ตายนี่มันอาจจะมีหลายอย่างด้วยกันดะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลดูตามความเป็นจริงก็แล้วกันถ้ายังไม่ตายก็อยู่ต่อไปถ้าตายก็ไปเกิดใหม่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็มีเท่านี้น่ะความเป็นจริงที่เราต้องควรจะรู้ไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าบุญหมดแล้วยังบุญบาปมากเกินไปหรือเปล่าอะไรมันก็มีส่วนบ้างแตม่มันมีหลายสาเหตุ ด, ด้วยกนันนอกจากบุญจากบาปแล้วมันก็มี เรื่องความเป็นไม่ไม่ปกติของถนนของรถของอะไรต่างๆของคนขับมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้คนนึงนั่งตรงซ้ายคนนึงนั่งตรงขวาคนซ้ายตายคนขวาไม่ตายมันก็มั น, ม น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเรื่องของมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันที่เราไม่ต้องไปกังวลดูภาพรวมก็แล้วกันว่าเกิดแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนช้าเรื่องเร็วท่านั่นเอง จากทาง YouTube ค่ะช่วงที่หลวงพ่อให้นั่งสมาธินั่งท่องพุทโธพุทโธเพิ่มความถี่แข่งกับเสียงฝนที่ตกจน จ, จิตตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งพอออกจากสมาธิให้คิดไปทางปัญญาแบบไหนบ้างเจ้าคะก็อยกเคิดเรื่องตายรักนะทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ขณะนี้วันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เชนั้นเราก็ต้องจากมันไป ถ้าเราไม่อยากจะทุกเวลาที่ต้องจากกันก็อย่าไปยึดอย่าไปติดเตรียมตัวปล่อยเตรียมตัวจากกันถ้าเตรียมตัวแล้วเวลาจากกันก็จะไม่รู้สึกอะไรถ้าไม่เตรียมตัวเวลาจากกันก็จะร้องหยงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจต้องคิดทางปัญญาบ่อยๆเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เพราะเราไม่สามารถเอาอะไรไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว น, นี้ยังไม่มีค่ะอาจมีใครอยากจะถามอะไรก็ยังถามได้อยู่นะถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวรอให้คนที่ก็พิมพ์คําถามค่อยทยอยส่งเข้ามาก่อนถ้าอยากจะถามก็เดินเข้ามามาเอาไมโครโฟนไปพูดได้แต่อย่ามาถามตอนที่เราเลิกแล้วนะเพราะเลิกแล้วไม่สะดวกที่จะตอบ ตอนเดี๋ยวคนนั้นจะขอจะเข้ามาลาคนนี้จะข้มาถ่ายรูปมันก็เลยจะไม่ค่อยสะดวกที่จะคุยกันในในช่วงนั้นแล้วแต่สะดวกกัช่วงนี้ช่วงที่พวกเราทุกคนยังนั่งอยู่เฉยๆอยู่หเข้ามาได้เดินเข้ามาเแล้วหยิบไมโครโฟนให้เข้ามาทางด้านหลังท่านผู้หญิงสองคนนี้กัน เดี๋ยวาจะยื่นไมโครโฟนให้อ่านั่งล ง, งพูดใกล้ๆอยากจะถามอ ย, ย่งไ<พ>อง้ไอ้ออไอหัวกลมๆอะพูดใกล้ๆป่าอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ากรรมตัดรอนเราสามารถทำให้เราตายก่อนหมดอายุไขจริงได้หรือไม่เจ้ออาคะขนาดจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้เดินไปไม่มีสติลื่นน้อมหัวฟาดไป ก็ตายได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องกรรมอย่างเดียวที่กรรมมันก็คือทําให้เรามาเกิดมาเกิดแล้วมันก็ต้องตายนี่จะตายแบบไหนตายเพราะกรรมหรือตายเพราะอายุนี่อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันมีหลายหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าจริงหรือไม่คะที่บางคนบอกว่าถ้ายังไม่ถึงอายุไขั ย, ยังไงก็ไม่ตายอาถ้าไม่ตายก็ยังไม่ตายเหรอแช่ว่าถ้าตายก็ถึงที่จะไม่ถึงที่ไงถ้าถ้าตายก็ถึงที่ เายังไม่ตายเขาแสดงเขายังไม่ถึงที่ตายมันก็ยังไม่ตายแต่ตายแน่ๆให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่าไปสนใจว่าตายแบบไหนสนใจว่าเราตายอย่างอย่างสบายใจได้หรือเปล่าตายแบบไม่ทุกได้หรือเปล่าจะตายแบบไม่ทุกก็ต้องเตือนใจสอนใจให้ยอมรับความตายให้ได้อะยอมรับความตายนี่เวลาตายจะตายอย่างไม่ไม่ทุกไม่เดือดร้อนเชิญทางต่อได้ กาพระอา uh จารย์ใกล้เอาไอตัวกมก้ใกล้ปากนะค่ะหนูม okay, ีเร um ื่องรบกัญญาสัพธรรมพระอาจารย์เร <Okay ื่องของการทำสมาธิเจ้าค่ะคุยดังๆทั้งนี้เรื่องของการทาสมาธิเจ้าค่ะตอนที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่เรามีสมาธิคือเราสามารถเวลานั่งสมาธิเราสามารถดึงความคิดดึงจิตเข้ามาอยู่กับเราได้แต่ พยายามฝึกตัวเองหลังจากที่หรือว่าก่อนหน้าที่จะมาบวชอะจ้ค่ะมันทำไม่ได้เจค่ะเพราะย์มีเรื่องที่อยากแนะน้ำไหค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่บ้านกับที่วัดมันไม่เหมือนกันที่บ้านที่ทำงานเราต้องใช้ความคิดมันก็เลยไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่เวลาเรามาอยู่วัดนี่มันไม่มีเรื่องให้เราต้องคิดไม่มีคนที่มาโคชชวนเราคุยเราก็เลยสามารถควบคุมความคิดได้ดีกว่าท่านั้นแะเป็นที่สถานที่ ถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องหาสถานที่ที่สงบไม่มีงานทําไม่มีคนมายุ่งเกี่ยวกับเราแล้วการนั่งสมาธิก็จะง่ายใช่ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะมีหลายๆคนที่เวลาที่เราบอกว่าเราจะมาบวชมาถือศีลอย่างนี้ค่ะแล้วหลายๆลท่านก็บอกว่าถือศีลที่บ้านก็เหมือนกันกับที่วัดนั่นแหละอย่างี้ค่ะค่ะก็อย่างที่พูดน่ะมันง่ายยากต่างกั น, น่ง ถือ ส, สินนี่บ้านคนเขากินข้าวเย็นเดี๋ยวเราให้เขากินข้าวเย็นเ้าก็จะหิวกินของเขาไม่ได้เห็นเขาดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวก็อยากจะดูตามเขาไปแต่ถ้าเรามาอยู่ที่วัดไม่มีใครกินข้าวเย็นอย่างนี้เราก็สามารถรักษาสินคอนนี้ได้ไม่มีใครดูห ouais น <Rug by? S 1> ังฟังเพลงเราก็สามารถดูเราก็รักษาสินคอนี้ได้เนี่มันยากง่ายต่างกันถ้าใจเขาแข็งจริงเขาอยู่ที่ไหนรักษาได้ก็ดีไป แต่ถ้าคนใจอ่อนนี้มันจะรักษายากกว่าที่บ้านกับที่วัดเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันนะถ้าเรารักษาที่บ้านได้ก็ดีอนุโมทนารักษาไปเลยนั่งสมาธิที่บ้านได้ก็ทําไปเลยไม่ต้องมาที่วัดแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็มาที่วัดก่อนที่วัดไปเหมือนกับที่เราเพาะปลูกข้าวเราเป็นที่เราต้องมาปลูกต้นกล้าก่อนเอาหวางต้นกล้าก่อน พอมีต้นก้าแล้วทีนี้เราก็ย้ายไปล ง, ลงในนาได้ถ้าเราจิตเราแข็งแล้วรักษาสีเองได้นั่งสมาธิเองได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้คำถามจากคุณพัชรพลค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับถามว่าสังขารเสื่อม ตามการเวลาใช่ไหมครับพระอาจารย์จิตวิญญาณออกจากสังขารคือไม่เที่ยงใช่ไหมครับคือสังขารนี้มีสองความหมายสังขารที่เป็นร่างกายนี้เสื่อมตามการตามเวลาร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นเรื่องอนิจจังของสังขารส่วนสังขารที่เป็นความคิดปรุงแต่งนี้มันมันไม่ตายมันไม่เสื่อม แต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลีนป่นเรื่องคิดไปเรื่อยๆวันนี้คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดเรื่องนี้สลับกันไปเขาก็เรียกว่าเป็นอนิจจังอย่างแต่ไม่ใช่อนิจจังแบบร่างกายมันไม่เสื่อมไม่ตายสังขารอยู่กับใจเวลาที่ร่างกายตายไปใจกับสังขารนี้ก็จะแยกออกจากร่างกายไปไปเกิดใหม่ คุณชันยุทธค่ะเห็นในประวัติศาสตร์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสามารถรู้ความนึกคิดของคนอื่นได้ยานพวกนี้สามารถฝึกให้มีหรือว่าเกิดขึ้นเองได้ครับอ๋อต้องฝึกต้องมีครูบาอาจารย์สอนซึ่งส่วนให ญ, ญ่ครูบาอาจารย์ในพุทธศาสนาก็จะไม่สอนเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นมันไม่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จะทําให้หลงทางได้ถ้านเลยไม่สอนกัน แต่ครบาจารย์บางรูปท่านก็อ่านวารลจิตของผู้อื่นได้หลวงปู่มั่นนี่ท่านก็อ่านจิตใจของโลกศิด็จนุกหาได้ติดต่อกับเทวดาได้แต่ท่านไม่สอนเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลท่านสอนให้เข้าสมาธิแบบอัปญาสมาธิให้นิ่งสงบไม่ให้ไปออกไปทางอภิญญาไม่ให้ไปทางทางทางความสามารถพิเศษให้นิ่งเฉยเฉยให้สร้างโอบเบกขา ซึ่งเป็นพลังของใจที่จะสู้กับปัญหาความอยากต่างๆได้จากคุณวิโรธค่ะเรียนถามค่ะมัดแปสามารถแก้ทุกได้อย่างไรครับก็เป็นเหมือนยายาที่หมอให้เรากินเวลาปวดเป็นอะไรไปหาหมอหมอห่อให้ยามาหลายอย่างยาแก้ไขย้ยาแก้อักเสบยาแก้อะไรต่างๆแล้วแต่โรคมันต้องการรักษาด้วยยาอะไรมันก็ต้องรักษาด้วยยาอย่างนั้น โรกใจก็เหมือนกันโรกใจต้องใช้มากแปดปัญญาที่ต้องมีแปดแปดชนิดด้วยกันถึงจะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ถ้าเอาเพียงแต่องค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นก็จะไม่พอไม่พอที่จะสามารถทำให้มันความทุกข์ต่างๆหายไปได้ต้องมีครบทั้งแปดองค์จากคุณใบห ย, ยกค่ะช่วงนี้ลูกห่างพุดโทแทบไม่ได้เจ้าค่ะ จะรู้ในนี้คือกลุ่นในอารมณ์ทั้งที่บางทีไม่มีเรื่องราวใดจึงต้องแนบอยู่ที่คำบริกรรมแต่สิ่งที่ลูกเห็นคือถึงจะบริกรรมแต่กิเลส ท, ที่หลบอยู่จะพยายามออกมาตลอดควรทำเช่นไรคะความกลุ่นจึงจะหายไปแบบสนิทใจคะ่ะสติเรายังน้อยไปกําลังยังไม่มากพอพยายามทำต่อไปให้มากขึ้นอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่มีความขุ่นมวัว เวลาไม่ขุนมัวก็ซ้อมทำไปเรื่อยๆเพื่อเวลาที่เกิดความขุนมัวต่างๆเราจะสามารถทำให้มันหายไปได้แต่แต่สติก็ทำให้มันหายแบบชั่วคราวเท้งนั้นความขุนมัวเวลาเผลอสติหรือว่าสติอ่อนเมื่อไหร่ความขุนมัวก็กลับมาได้ถ้าอยากจะใช้ความขุนมัวนี้หายไปอย่างราบคาบอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาคิดค้นหาสาเหตุ ข, ของความขุนมัว ซึ่งก็เป็นเรื่องของกิลเลสตัณหาต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเราขุ่นมัวท่านั้นเองถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเราระงับสาเหตุนั้นได้ความขุ่นความขุ่นมัวนั้นก็จะหายไปอย่างถาวรไม่กลับมาอีกเลยต้องใช้ปัญญาจากคุณฟุก ค, ค่ะกับเดินถามพระอาจารย์ว่า ถ้าแม่อยากทําอะไรอยากทานอะไรแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ถูกทําเราควรบังคับหรืองดหรือควรให้ท่านทําต่อไปเจ้าคะคือมันเป็นชีวิตของท่านแล้วท่านอยู่ท่านก็อยากจะมีความสุขท่านอยากจะท่านมีความสุขกับการกินอะไรก็ปล่อยให้ท่านกินไปตายอยู่ดีตายช้าตายเร็วแต่ตายแบบสุขหรืออยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์เท่านั้นเอง ยัให้ท่านอยู่แบบสุกดีกว่ถึงแม้จะตายเร็วก็ขณะที่อยู่ก็มีความสุขดีกว่าอยู่แล้วทุกแล้วก็ตายช้ายิ่งทรมานใหญ่ดนะนั้นเรื่องของท่านต้องปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองนะแต่แล้วอาจจะ ถ, ถวายความรู้ให้กับแม่ว่าหมอเขาสั่งนะไม่กินอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าแม่ม่อยากจะกินก็ไม่ห้ามแล้วแต่แม่นะ อย่างเี้เราทเรามีหน้าที่เป็นคนรับใช้แม่ไม่ใช่เป็นคนมาเป็นเจ้านายแม่ยังไม่ควรที่สั่งแม่หรือห้ามแม่แต่ให้ความรู้ได้ถ้าเกิดแม่ไม่รู้ไปหาหมอแล้วหมอสั่งมาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อันนี้เราก็ถอยความรู้ให้กับแม่นะขอโอกาสก่อนก่อนจะพูดอะไรบอกแม่นี่ต้องขอโอกาสว่าอขอพูด ขอบอกแม่ได้ไหมถ้าแม่ไม่อยากจะฟังก็ไม่บอกถ้าแม่อยากจะฟังก็บอกเพราะมันเป็นคำสั่งของหมอไม่ใช่เป็นคำสั่งของลูกแต่ให้ท่านอยู่อย่างสุขแล้วถึงแม้จะอยู่อยู่ไม่นานแต่มีความสุขนี่ก็อยู่อยู่นานแล้วทุกข์ไม่ได้กินไม่ได้ทำเลยตามความอยากของตนเชิญมีคำถามต่อกลกาวนามัสการอาจารย์ค่ะ พอดีว่าหนูอยากจะขอสอบถามนะคะเวลาที่เราอยู่ในสภาพบรรยากาศที่มันเงียบสงบแล้วความรู้สึกของเรามันบอกว่าเราชอบชอบบรรยากาศแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้นั่งสมาธินะคะแต่รู้สึกชอบรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วความคิดเรามันก็ดังขึ้นมาว่าความชอบอันนี้ก็เป็นกิเลสความไม่ชอบก็เป็นกิเลสอะคะ่ะหนูเลยไม่แน่ใจว่าอ่นนี้ไม่ถูกนะความชอบในธรรมนี่เป็นธรรมะเป็นมรรค นำไปสู่การหลุดพ้นเพราะฉะนั้นการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวง mm hmm. ถ้าการชนะการยินดีในรูปเสียงกิริยเลเนี่ยเป็นกิเลสก็จะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆแต่การยินดีในธรรมนี้จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจ mm hmm. ไม่ต้องกังวลความยินดีในธรรมพุทธเจ้าบอกเป็นความยชนะการยินดีทั้งปวง เพราการยินดีในธรรมจะนําไปสู่ลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอยาจารย์ถ้ายินดีในธรรมได้เหมือนอยากทําบุญนี่ไม่เป็นกิเลสอยากรักษาศีลไม่เป็นกิเลสอยากนั่งสมาธิไม่เป็นกิเลสเป็นเป็นมรรคเป็นธรรมเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ังนั้นความอยากมีสองแบบความอยากที่เป็นกิเลสกับความอยากที่ไม่ไม่เป็นกิเลสแต่เป็นธรรมถ้าอยากในธรรมนี้ไม่เป็นกิเลสอยากไปเถิด อยากทำุนอยากจะบวชนี่ไปเลยบวนได้ไปบวชเลยอยากอยู่อยากอยู่กับแฟนนะี่เป็นกิเลสอยากจะไปบวชนี่เป็นธรรมค่ะาขอบพระคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะกล่าวในมัศ ก, การเจ้าค่ะลูกฆ่าคางคกมาเกินห้าร้อยตัว เอาหินทับแล้วลูกเป็นโรคกระดูกสันหลังโค้และเสื่อมเกี่ยวข้องกับกรรมที่ลูกทําหรือไม่คะอันนี้ก็อาจจะไม่แน่นอนเพราะเราไม่มียาอย่างทราบได้ว่ามันเป็นสาเหตุที่เกิดจากกรรมที่เราทําในปัจจุบันนี้หรือไม่เพราะมันอาจจะเป็นสาเหตุของกรรมที่เราทํามาในอดีตก็ได้หรือในสาเหตุจากการที่เรามีร่างกายไม่ปกติบกคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลยทำใหม้มันมีหลายสาเหตุ เกี่ยวกับเรื่องร่างกายท่านบอกเป็นอ น, นิจจังมันไม่เทีย่ยงมันไม่แน่นอนมั น, นมันเป็นอนัตตามันมีหลายสาเหตุที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นแต่ที่แน่นอนก็คือถ้าฆ่า ค, าครังคกหรือฆ่ากบเนื้อห้าอครั้งเนื้อก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นครังคกเป็นกบให้เข้ามาฆ่า500 500้าครั้งเนื้พราะนี้อยา่าไปฆ่าทําสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา จากคุณกฎภัทร์ค่ะข้อหนึ่งค่ะมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีความโกรธแต่พอรู้สึกตัวว่าโกรธแล้วก็ภาวนาพุโทโธพุธโทโธในใจทาแบบนี้ถูกทางหรือไม่คะก็ถูกทางในทางสมาธิดับความโกรธได้ชั่วคราวแต่ยังไม่ดับความโกรธได้อย่างถาวรถ้าอยากจะดับความโกรธอันนี้อย่างถาวรต้องเข้าไปใช้ปัญญาหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงโกรธ ก็จะพบว่าเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นอยากให้เขาทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําตามใจเราเราก็โกรธเขาถ้าเราอยากจะไม่ไม่ให้เกิดความโกรธแบบนี้นก็ดีก็อย่าไปอยากให้เขาทําอะไรให้กับเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาจะทําอะไรแล้วเราก็จะไม่เสียใจไม่ไม่โกรธเขาเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาอันนี้เป็นการใช้ปัญญาเพื่อแก้กความโกรธอย่างถาวร แต่ถ้าใช้พุโทโธพุโทโธนี้ใช้ความระ ง, งับความโกรธชั่วคราวเหมือนกับทําให้ใจหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธแต่พอเราหยุดพุดโทโธเรากลับไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธใหม่ก็ จ, จะทําให้เราโกรธขึ้นมาใหม่ได้อีก ข้อสองค่ะหลังความโกรธก็ใช้ปัญญาคิดได้ว่าเป็นอนัตตาเราไม่สามารถบังคับได้แม้แต่เราเองและระงับใจไม่ให้โกรธค่ะแบบนี้เป็นการคิดที่ถูกวิธีไหมคะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ความโกรธสิ่งที่เราอยากให้เขาทำอะไรให้เราเนะีเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้เราอย่าไปหวังอะไรจากสิ่งที่ทาให้เราโกรธ ถ้าไม่ไม่มีความหวังแล้วความเสียใจยความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นมาและเรื่องของความโกรธนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นผลที่เกิดจากความอยากของเราฉนั้นต้องวิเคราะห์ให้ถูกทางถึงแม้จะวิเคราะห์ว่ามันเป็นอนัตตาก็จริงอยู่แต่มันไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาของความโกรธเพราะความโกรธมันมีเหตุที่ทาให้มันโกรธขึ้นมาก็คือความอยากของเรา <c oughs> เดี๋ยวเราเรานั่งปป๊บหนึงกันนะลังตอบถามของถามอยู่ คำถามจากคุณวิพาดาค่ะถ้าถูกตำหนิรุนแรงแต่กำหนดรู้เท่าทันอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะคือเท่าทันรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะตำหนิก็เรื่องของเขาเขาจะชมก็เรื่องของเขาเรารู้สึกเฉยเฉยอย่างนี้รู้เท่าทันแต่ถ้าเขาตำหนิแล้ ว, ลวเราโกรธขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเรารู้ไม่ทันแล้วเราไปหนงนเราอยากจะให้เขาพูดดีๆกับเราไม่ตาหนิเรา เราเขาไม่พูดดีเขาตำหนิเราก็เราก็เลยโกรธแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้ทันอ่าเขาต้องเขาจต้องตำหนิเรา<ม>เราก็เตรียมตัวรับมันนะ<ม>เราห้ามเขาไม่ได้มันอยากจะด่าก็ปล่อยมันด่าไปปู่ไม่โกรธมึงก็แล้วกัน<ม> <c oughs> อันนี้เรารู้เท่าทันคือ<ม>รู้เท่าทันหมายถึงใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งนั้นๆที่เรารู้เท่าทันแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราจะทุกข์ เพราะเราจะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นตามใจอยากเราเราก็จะทุกข์ึ้นอ่ะแสดงว่าไม่ทันแสดงว่าหลงหมดไหมยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วงั้นก็อ่าเดี๋ยวยังมีคาถามอีกนุ่มน้อให้เสร็จคำถามเข้ามานะอาจารย์เจ้าคะจากคาถามคุณใกล้ใกล้ปากเลยจ้าจากคำถามที่เมื่อกี้น้องเขาถามที่ว่าพ่อแม่อยากทานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะทีนี้ ถ้าของสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วพ่อแม่ทานไปปุ๊บเขาก็มีความสุขในการที่เขาได้ทานแต่ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพภายหลังเวทนามันก็จะเยอะขึ้นกับการที่ว่าตอนแรกเขาทุกจากการที่เขาไม่ได้ทานอาหารที่เขาชอบสุขภาพเขาดีขึ้นเวทนามันก็น้อยลงอเขาเลือกเองเสด็ตัวเขาอ่ะชีวิตเขาเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคอมเมนต์ชุบเขาค่ะว่าจ้าต้องบอกข้อเท็จเป็นอย่างนี้มี2องทางเลือกจะเอาทางไหนรูกยินดีต้อนรับตอบรับสนอง ความต้องการ <จะ S 1> อยากจะกินก็หามาให้กิน <จะ S 1> แล้วเวลาท <จะ S 1> ุกข์เจ็บขึ้นมาก็อยามาบ่นก็แล้วกันเจ้าค่ะพระจะกราบขอบคุณเจ้าค่ะมันชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราเจค่ะขเขาเป็นเจ้าของชีวิตเขาเขาจะทําอะไรกับชีวิตเขามัเป็นเรื่องของเขาตราบใดถ้ามันไม่ผิดศีลผิดธรรมล้วก็ทําไปแต่ถ้าเขาทาผิดถ้ามันผิดศีลเช่นเขาอยากจะดื่มสุดาเราก็ไม่ต้องไปซื้อมาให้ดื่มออ้ยากจะดื่มก็ไปซื้อเองไม่หรูอทาให้ไม่ได้ เพราะมันผิดศีลนั่นเป็นบาปหมดได้ยังหมอนแล้วก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิ จ, จรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด